อขอโมทนากับพวกเรา ท, ทุกท่านนะเมื่อเช้าพูดในเรื่องของกรรมในพูดถึงในเรื่องของเจตนานีให้เห็นความสําคัญของเจตนากรรมแล้วก็พูดถึงในเรื่องของวิเศสลักษณะของเจตนาหรือลักคณยตุกะวิเศสลักษณะเนี่ย หรือว่าลักษณะเฉพาะตัวของเจตนาก็คือตัวสภาวธรรมที่ยกมาพูดในเรื่องของเจโตยุตริรักขณาเป็นต้นที่พูดถึงในรอกว่าเจตนานั้นมีการชักชวนกระตุนต้นเตือนสัำยุตรธรรมในอารมณ์เป็นลักษณะอย่างไรพูดถึงเจตนาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แสดงลักษณะอาการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเวทนาใช่ไหมยังพอจําได้ไหม ว่าจำได้นะคือชักชวนกระตุ้นเตือนจิตเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกันกบตนเนี่ยให้เข้าไปจับอยู่ในอารมณ์ไมห่หลุดหายไปจากอารมณ์นั้นด้วยก็มีหน้าที่อย่างนั้นด้วยเวลาอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าและธทำอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บพอคิดถึงอารมณ์นั้นใดๆอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเจตนาวิธีที่พลมากที่จะให้สามประยุติธร ร, รมคือธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบเขาเนี่ยเข้าไปจับอารมณ์นั้น ก็แปลว่าและในขณะเดียวกันก็ยังมีหน้าที่จัดแจงสัมยุทธธรรมให้ทําหน้าที่ด้วยไม่ย่อหยอดใช่ไหมก็คือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ํากันและเพื่อให้กิจการงานของสัมยุทธธรรมนั้นสําเร็จเรียบร้อยไปโดยไม่บกพร่องอ น, นี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเจตนาเจดศิกนะท่านก็เลยเปรียบเสมือนกับอะไรผู้จัดการที่คอยจัดแจงกิจการงานให้กับลูกน้องหรือผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน และความสามารถของลูกน้องนั้นและผู้ร่วมงานแต่ละคนใช่ไหมไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนอกจากจะกระตุ้นเตือนสัมยุธรรมแล้วเนี่ยตนเองทาหน้าที่ด้วยไหมตนเองก็ทาหน้าที่ด้วยถ้าเจาะลงไปในสภาว่าธรรมปุ๊บก็จะเห็นว่าภาาัรษะทาหน้าที่กระทบอารมณ์เวทนาทาหน้าที่สวยรสของอารมณ์สัญญาทาหน้าที่จาอารมณ์นี่น่ตลอดถึง ตัวโลภะทำหน้าที่ในการที่จะมีความอยากได้และก็พอใจในการมาคุณอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแต่อกอโลภะทำที่ไม่อยากได้ไม่ติดใจในการมาคุณเนี่ยสภาวธรรมเหล่าเนี้จะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยก็มีมาจากอิทธิพลของไอตัวเจตนาเนี่ยเป็นค อ, คอยคอยคอยจัดแจงในการที่จะให้สภาวธรรมนั้นทำหน้าที่อันนั้นคือลักษณะ คือหน้าตาของเวทนาเจตนาเป็นแบบนี้ส่วนกิจของเจตนามาจากคำว่าอายุหนาราษาใช่ไหมอายุหนะาเนี่ยเขาไปเอาประมวลมาก็ได้มีความกังวลก็ได้ห่วงใยในการรับอารมณ์ของสัมยต ธ, ธรรมด้วยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเขานอกจากจะกระตุ้นเตือนสัมยต ธ, ธรรมแล้วเนี่ย ให้ทํากิจไปตามหน้าที่ของตนในอารมณ์ที่รับอยู่และตนเองก็รับอารมณ์นั้นไปด้วยท่านอุปมาเหมือนเจ้าหน้าเจ้าของนาไปเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของเจ้าของนาเวลาพาลูกน้องไปดํานาหรือไปเกี่ยวข้าวตนเองก็ดํานานั้นด้วยเกี่ยวข้าวด้วยถ้าเคยใครทํานาก็จะรู้เคยไหมทําหน้าที่ด้วยแล้วในขนาดเดียวกันก็ ให้ลูกน้องทำหน้าที่ของตอนเองเนี่ยในการช่วยกันะระดมในการที่จะเกี่ยวข้าวหรือดำนานนัะ่นนะ่ะนะนะอย่างขามักขม้นเต็มกำลังความสามารถของตอนและ ต, น เ, น, ตนเองก็ไม่อยู่เฉยทำการขนขวายด้วยอย่างนี้เป็นตการที่ 3, สาสังวิธานะปัจจุปฐานาะไอ้ตัวสังวิธานะนี่แหละจัดแจงจัดแจงสัมยุตธรรมไว้กับอารมณ์เป็นอาการปรากฏแปลว่าอะไร แล้วเจตนาเนี่ยมีอาการเป็นไปโดยการจัดแจงหรือกระตุ้นเตือนสมเยืต ธ, ธรรมให้จับอยู่ในลมคือให้มุ่งมั่นในการทำกิจของตนเนี่ยไม่ให้หยุดชะงักก่อนที่กิจกรรมหรืองานนั้นจะสำเร็จลงก็แปลว่าถ้าเจตนาทำหน้าที่แล้วเนี่ยร่วมกับผัสสะเวทนาสัญญาวิตกวิจารณิโมกปีติฉันทะในขณะที่เขาทาหน้าที่ของเขาเนี่ ย, ยหรือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัปญญา เกิดร่วมกันกับเจตนาและเจตนาจะต้องไปจัดแจงให้คุณภาพของสัมพยุตธรรมเหล่านั้ น, นทําหน้าที่ให้ลุล่วงไปได้ดีให้สําเร็จสําเร็จรุล่วงได้ดีให้สําเร็จลงเป็นกรรมให้ได้ให้สําเร็จลงเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมให้ได้เนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าสมริดเป็นกุศลกรรมปุ๊บก็เาเรียกว่าจัดแจงเนี่ยปร่งแต่งให้กรรมนั้นสําเร็จลงนี่หน้าที่ของเขามีหน้าที่ตรงเนี้ย หน้าที่เออสำเร็จเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วหน้าที่ของเจตนาเป็นแบบนี้เป็นสังวิธานกิจอะไรเป็นเหตุใกล้ของเจตนาเวทนาขันเป็นเหตุใกล้ได้ไหมสัญญาขันเป็นเหตุใกล้ได้ไม้มวิญญาณขันเป็นเหตุใกล้ได้ไหมเป็นยังไงอะไเนี่ย เอาวิญญาณาขันารเป็นเหตุใกล้ถ้าอยากจะเห็นอะไรสักอย่างขึ้นมาโอ้โหมีเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นขึ้นมาหเห็นได้ได้ใช่ถ้าอยากจะได้ยินอยากจะได้กลิ่นเนียถ้าปรารถนาจะริมรถสัมผัสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้โอ้โหเจตนากระตุ้นเตือนเลยต้องทำให้ได้สมฤทธผลนั้นให้ได้หรือถ้าจำเรื่องใดๆขึ้นมาเนะยไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรส รูปสัญญาสัท ธ, ธาสัญญาคันธาสัญญารัศสัญญาผลถภาสัญญาหรือธรรมสัญญาไอความจำใดๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นโอ้โหบางคนบอกว่าฉันมีความฝันบ้านปลายชีวิตฉันอยากจะมีบ้านทักหลังหนึ่ง <c oughs> เคยไห ม, เ ค, มเคยัหยเคยเคยมีความฝันแบบนี้ไหมบ้านปลายชีวิตฉันอยากจะ มีอาชีพอะไรเดียอยากจะอยู่อย่างพอเพียงเคยมปเคย เ, เคยฝันไหมเม้งฝันอะไรเม้งมีความฝันอะไรตันเป็นเด็กเด็กเห็นก็จํำคนอื่นเขารวยอยู่ไหมอยากรวยอย่างเขาเคยไหมเคยอยู่ไหมเราดิ้นไหม เจตนาทําใหญ่เลยจงใจตั้งใจเจริญจำนวนเป็ความต้องตั้งใจเต็มที่เล ย, ย่งางไรดาวันเลยตามงนี้นี่ยมาจากอะไรจํามาใช่ไหมจํามาเห็นมานถ้าจํามาก็กลุ่มสัญญาเป็นปัจจัยเกิดเจตนาเนาะถ้าเห็นก็กลุ่มวิญญาณนี่นะหรือรู้สึกว่า มันจะสุขมากถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นมันจะมีความสุขมากนิเวศนาเป็นปัจจัยก็เจตเป็นเหตุใกล้เลยนะเป็นเหตุใกล้แห่งการกระตุ้นเตือนเลยนะมีเยอะมากใช่ไหม เ, เหตุใกล้ตัวนี้ตัวเวทนาขันก็ได้สัญญาขันก็ได้ประวิญญาณขันก็ได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เจตจํำดงและความจงใจและตั้งใจขึ้นเกิดขึ้นมาได้จริงๆไหนะอยากจะเป็นอะไรนะอลไม่ไม่อยากเป็นช่างกล้องหือ ไม่ก่อนนะมันไปจำก็อเห็นไหมเนี่ยมันมีอิทธิพลมากจริงเนะสัญญานะเป็นทั้งปะปันจสัญญาเป็นทั้งกุศลสัญญาทั้งเป็นอกุศลสัญญาทั้งเป็นกิเลสสัญญาปปันจัสัญญาก็ดีวิชาภักยีสัญญาเคยมีความจําบอกว่าอยากจะเป็นพระราหันไมแล้วก็มีความจงใจตั้งใจเต็มที่เลยอ่ะ ไม่เคยเลยเลยไม่เคยแต่บางคนมีจริงจริงบางคนอยากจะเป็นพระเจ้าเป็นดินอยากจะเป็นอะไรย่ๆมานนั่นนะบางคนเด็กๆอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสัญญาขนาดเห็นไป ท, ทําท่าทําทางเป็นนั่งแพรอะไรต่างๆอยากจะเป็นพระ <laughs> ใช่ไหม บางคนก็อยากจะเป็นพยาบาลเ็เอยากเป็นอะไรอเด็กๆหนูอยากเป็นหนูอยากเป็น <c oughs> เ เ, เลยมาเป็นมาตั้งชื่ออะไรเนี่ยเจ็ดยอดมนุษย์ใจบุญก็มาอยู่ตรงนี้อยู่ไมความฝันเ <c oughs> ดูที่มนุษย์เราเ เรตามฝันจนเจอจะเป็นยอดมนุษย์ยอมรเบียกากตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรเลอแนี่ยไหนไมเนี่ยตอนนั้นมัน มันมันงงๆเลยตอนนั้นนะมันงงเห็นไหมเนี่ยไอ้ทีสัญญาเป็นปัจัยเกิดเจตนาเวทนาเป็นปัจัยเกิดเจตนาเพราะคิดว่าจะมีความสุขวิญญาณก็อยากเห็นอยากได้ยินอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสทั้งหลายอยากมีจินตนาการทั้งหลายตัววิญญาณการรู้รูอารมณ์ทั้งหลายอะไนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดเจตนาเป็นเหตุใกล้นี่ให้เข้าใจความว่าเหตุใกล้นะ มีเยอะมากนะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวสัมยุต ธ, ธรรมอื่นๆเป็นเหตุใกล้ของเจตนาเยอะมากเลยความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาก็เป็นเหตุใกล้ของเจตนาได้ศรัทธาก็เป็นเหตุใกล้ของเจตนาเป็นต้นได้นะเป็นปัจจัยในการเจกระตุ้นเจตนาทั้งนั้นเมื่อเช้ายมมีถามเรื่องว่าอะไรเป็นนอกจากเจตนาเป็นปัจจัยก็คนอื่นก็เกิดไปจัดแจงเขาแล้วแล้วอะไรเป็นปัจจัยเกิดจัดแจงเจตนาบ้างก็กลุ่มเหล่านี้แหละในกลุ่มเหล่านี้เขาก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันในสัมยุตธรรมนั้น ก็ต้องเข้าใจคําว่าสมยุทธธรรมก็แปลว่าธรรมที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันแล้วก็ซึ่งกันและกันเข้าใจคําว่าซึ่งกันและกันไหยไม่ใช่ไปเกี่ยวกับห้องกับคนเเราซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันดังนั้นมาจากคาว่าอัญญะมัญญะเวลาประกอบกันแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกื้อกูลเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็น เมื่อเช้าพูดถึงในเรื่องของเจตนาหังพิกขเวกัมมังวดามิเจตยิตวากรร ม, มังกรติกาเยนะวาจายะมณสาแปลว่าอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะถาคตกล่าวว่าเจตนานั่นแหละว่าเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลกระตุ้นเตือนเมื่อบุคคลถูกกระตุ้นเตือนถูกอะไรกระตุ้นเตือน เมื่อบุคคลถูกเจตนากระตุ้นเตือนแล้วท่าแฝงท่าแฝงแบบนี้จัดแจงแล้วกระตุ้นเตือนชักนำแล้วด้วยอำนาจแห่งเจตนาแล้วย่อมกระทําการงานที่เกี่ยวกับกายบ้างวาจาบ้างแล้วก็ใจบ้างจริงไม่จริงไหมหตัวเจตนาจะมีอิทธิพลแห่งการกระตุ้นเตือนอะไรเนีสัมพยุิธธรรมคําว่ากรรมเป็นชื่อของการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจกรรมแปลว่าการงานได้ไหม ได้ไม่ได้แปลว่าพวกเราเนี่ยต้องทํางานตลอดเวลาไหมกระแสะชีวิตเนี่ยกระแสะขันห้าต้องทํากรรมตลอดเวลาไหมเมื่อทํากรรมตลอดเวลาทํากรรมทางกายก็เรียกว่าถ้าทํางานทางกายเรียกว่าทํางานทางวาจาเรียกว่าทํางานทางใจเรียกว่าสรุปแล้วกายกรรมวิญญากรรมมโนกรรมเป็นกิจกรรมของชีวิตที่ดําเนินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแปลว่ากําลังทํางานอยู่ ใครบอกว่าเราไม่มีงานทำ <c oughs> ทีนี้ในเวลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กำลังทำกิจกรรมทำงานอยู่เนี่ยในส่วนกรรมประเภทไหนที่มีผลมากมีกำลังมากทางไหนใครว่ากายกรรมเนี่ย มีกําลังมากกว่ามโนกรรมรใครว่าวจีกรรมมีกําลังมากกว่ามโนกรรมหรือใครว่ามโนกรรมมีกําลังมากกว่าวจีกรรมหรือกายกรรมกรรมทางไหนที่มีผลมากกว่าทางด้านไหนใครว่ากายกรรมกายกรรมเราเอาเนี่ยถือมีดไปฆ่าคนได้ไหมได้ไม่ได้ ไ, ไปกราบคนก็ได้ไปยกย่องคนก็ได้ไปฆ่าปะถุสตรายคนก็ได้ในใจอ่ะ ระหว่างใจกับกายกรรมใจกับวิีกรรมอรันไหนอะไรเป็นเป็นกรรมที่หนักกว่ากันพุทธศาสนาขับเน้นที่มโนกรรมเนี่ยสลาหลังนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะเพราะอะไรนี่นี่อาณาจักรตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยของยมดาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผลของมโนกรรมเนี่ยผลของมโนกรรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้โลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยเป็นเพราะมโนกรรมเนี่ ขนาดนั้นมโนกรรมมันมาจากกายบวนการก่อนคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเลยวะแล้วจึงมาลงมือทำทีหลังฉั้นกายกรรมวิญญกรรมเนี่ยถูกมโนกรรมครอบงำหมดเลยควบคุมมันเป็นอย่างนี้แหละกรรมจะสําเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยทีนี้ถ้าถามเมื่อเช้าบอกว่าอันนี้ต้องทําความเข้าใจชัดนะว่าอนตัวเจตนาเป็นตัวกรรมนะั้นเป็นการเรียกโดยตรงหรือโดยอ้อมทาไมว่าโดยอ้อม ที่บอกเจตนาหังพิกเวกรัมรมังวิธามีเนี่ยดูก่อนพิกษุดทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนี่ยคําว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนี่ยเป็นเก่าเรื่องกรรมโดยตรงหรือโดยอ้อมเจตนาเป็นกรรมโดยตรงหรือโดยอ้อมทําไมจึงเรียกว่าโดยอ้อมนี่อันนี้ความเข้าใจที่จะต้องเป็นความเข้าใจติดเนื้อติดตัวเราไปจนตัวตายนะตรงเนี้นะจนนะนะจสำคัญมากเลยนะถ้าเข้าใจตรงเนี้ย อ่ะที่ว่าว่าโดยอ้อมทำไมถึงเรียกว่าโดยอ้อมตอบได้ไหมรีบตอบมาสิเวลาจากัดอย่าอมพูกันไม่ดีรีบตอบเลยฟังแล้วเข้าใจไหม การเรียกว่าเจตนาเป็นกรรมเป็นการเรียกโดยอ้อมคือยกเอาชื่อของผลมาตั้งอยู่ในฐานะแห่งเหตุเพราะอะไรกรรมจะสําเร็จลงได้ต้องอาศัยอาศัยสัมยุทธธรรมทั้งหมดเจตนาดวงเดียวทําให้กรรมสําเร็จลงได้ไหมต้องอาศัยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อื่นอวิญญาณขันธ์อืนอ่นๆอาศัยองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากเลยใช่ไหม อย่างยกตัวอย่างเช่นความโลภที่เป็นอกุศลกรรมเนี่ยจะสําเร็จลงได้ต้องอาศัยองค์ประกอบเท่าไรรู้ไหมต้องอาศัยโลภะทิฏฐิมานะอย่างเงี้ยต้องอาศัยโมหะต้องอาศัยความไม่ไอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปต้องอาศัยความฟุ้งซ่านใช่ไหมต้องอาศัยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิติติมนสิการต้องอาศัยวิตกวิจารอธิโมกขวิริยาปีติฉันทะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใาศองค์ประกอบองค์รวมต่างๆเหล่านีาาา้ไปเข้ากันสหะรคต รวมกันเป็นเวทเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเป็นสัมยุทธรรมเกิดร่วมในขณะจิตเดียวกันที่จะไปทําให้องค์ประกอบกล่าวขะความโลภที่เป็นอกุศลกรรมนั้นสาเร็จลงได้ไม่ใช่แค่เจตนาดวงเดียวแต่ยกเจตนามาเป็นประธานในฐานะแห่งเขตแต่ที่จริงแล้วเจตนาเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นผลในซ้ำไปเพราะว่าองค์ประกอบอื่นสัมยุทธรรมอื่นต่างๆที่มากระตุ้นเตือนแล้วแต่ว่าเจตนามีบทบาทหนึ่ง ในการที่กระตุ้นเตือนให้โลภะทำกิจ อ, อย่างไรทิฏฐิทำกิจอย่างไรมาน้าทำกิจทำหน้าที่อย่างไรทำให้ผัสสะเวทนาทำกิจทำหน้าที่อย่างไรทำให้วิตกวิจารณ์มีกิจหนาทำหน้าที่อย่างไรทำให้ความหลงความไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปความฟุ้งซ่านทั้งหลายไปทำกิจทำหน้าที่ให้บริบูรณ์อย่างไรแต่องค์ประกอบอื่ น, นๆก็ต้องอาศัยสามยุทธรรมอื่นๆเป็นองค์รวมในการที่จะมาทำหน้าที่นั้นจึงจะสำเร็จลงเป็นอกุศลกรรมคือความโลภเป็นต้นเหล่านี้ได้อย่างเงี้เป็นไปได้นานนี้ ผมมองเห็นยังสรุปแล้วเนี่ยนั้นการขวนขวายเนี่ยนะการทําหน้าที่ให้สําเร็จเป็นกรรมได้ก็หมายความว่าจิตและใจศึกที่ประกอบด้วยกรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยต่างขวนขวายทําหน้าที่ของตนของตนไม่ให้ย่อหย่อนโดยอาศัยเจตนาเป็นตัวชักนําหรือกระตุ้นเตืนอนอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมก็สําเร็จลงได้ฉะนั้นกรรมที่จะเป็นความหมายโดยตรงได้เนี่ยจึงได้แก่อะไร เมื่อเช้าใช้คําว่าอกุศลจิตตุบบาทกับกุศลจิตตุบา บ, บาทใช่ไหมคือการเกิดขึ้นกันของกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่มีเจตสิกเนี่ยประกอบร่วมด้วยตามสมควรที่จะประกอบร่วมกันได้นั่นเองธรรมะที่เกิดร่วมกันกับจิตเจตสิกเนี่ยก็เรียกว่าธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบจิตแยกจากจิตไม่ได้จิตเกิดเมื่อไหร่เจตสิก ที่เป็นตัวปรุงจิตก็ต้องเข้าไปเกิดร่วมอยู่เสมอเช่นความโลภเป็นเจตสิกความโกรธเป็นเจตสิกความหลงเป็นเจตสิกความไม่โลภก็เป็นเจตสิกความไม่โกรธก็เป็นเจตสิกความไม่หลงคือปัญญาก็เป็นเจตสิกศรัทธาก็เป็นเจตสิกวิริยะก็เป็นเจตสิกสติก็เป็นเจตสิกสมาธิก็เป็นเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกใช่คุณธรรมที่เป็นเครื่องปรุงจิตทั้งหมดเรียกว่าเจตสิกธรรม แค่นี้เองงั้นองมรักทั้งหมดองมรักษ์แปดเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกสมาทิถีสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตาสมาอาชีวะสมาวยมารสมาสติสมาสมาธิองมรักษ์แปดเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกทั้งหมดเลยจิตก็มีเป็นวิญ ญ, ญาณขันธ์อันเดียวกัน วิญญาณูปาทานคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนั่นแหละคือนี่เขาพอมองเห็นไหมพอจะพอจะมองเห็นใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่เราพูดถึงธรรมะทั้งหลายลเหล่านี้แท้จริงโดยส่วนใหญ่พูดเรื่องเจตสิกหมดเลยแต่เขาไม่พูดว่าเจตสิกเท่านั้นเองเอาอ่างนี้นะว่าขันมีทั้งหมดห้าขันรูปขันก็เป็นนะอั น, นตัวเป็นรูปธรรมทั้งหมดเวทนาขันเป็นเจตสิกสัญญาขันเป็น เจตสิกสังขารละขันทั้งหมดเป็นเจตสิกวิญญาณะขันเป็นจิตแค่นี้เอง <c oughs> ใช่ก็เหมือนคนมีสองชื่อยมบีชื่อหนึ่งอีกคำหนึ่งชื่อว่าอุมอาเห็นไหมคนเดียวกันไหมเออนั่นแหละวิญญาณกับจิตคนเดียวกันเริ่มเห็นเนี่ย ก็กตัวเดียวกันนะั่นเองเวทนาขันก็คือเจตสิกนั่นเองสัญญาขันก็ก็เจตสิกนั่นเองก็มีสองชื่อเห็นไห ม, มว่าแต่ว่าในกลุ่มของเวทน า, าขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสี่ขันเนี่ยเป็นเจตสิกหมดเลย แต่ที่มากที่สุดคือสังขารละขันท่านเกตนะเวทนาเจตสิกเนี่ยเป็นเวทนาขันมีตัวเดียวเแต่แยกกั น, ปนไปแยกเป็นสุขเวทนาทุกขเวทน า, ท เ, วนาเวขาเวทนาแยกกันไปสัญญาก็มีแค่สภาวะเดียวเองแต่แยกเป็นรูปสัญญาสัจจะสัญญาจําในรูปในเสียงก็ว่าไปทําหน้าที่ไปแต่อันเดียวส่วนสังขารละขันเนี่ยโอ้โหห้าสิบเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยเยอะมากในห้าสิบเนี่ยมีใครเป็นหัวหน้า เออเจตนาที่กําลังเรียนถึงต้องเรียนเรื่องนี้ถึงต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะสําคัญมากถ้าไม่รู้จักหัวหน้าก็เลยไอ้ตัวนี้เป็นตัวการใหญ่เนี่ยสันวิญญาณธนาคารก็คือจิตมีสภาวะเดียวมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ไปเรียกไปตามทําหน้าที่ถ้าไปเห็นทางตาเรียกจักรวิญญาณถ้าทําหน้าที่เห็นทางหูเรียกโสตวิญญาณถ้าทําหน้าที่ได้กลิ่นก็เรียกคานาวิญญาณถ้าทําหน้าที่รู้รสก็กลายเป็นชิวหาวิญญาณ ถ้ารู้ทางถูกต้องสัมผัสก็เรียกเป็นกายยวิ ญ, ญาณถ้าคิดนึกทางใจก็เป็นมโนโวิญยาณก็คือตัวเดียวจิตนั่นเองต้องเกิดพร้อมกันตลอดถ้าอย่างนั้นจะไม่มีเครื่องปรุงต้องเกิดตด้วยกันตลอดสัญญาขันก็ต้องเกิดด้วยกันตลอดแม้เจตนาเกิดด้วยกันตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดครับ ใช่นั้นต้องอาศัยลูปเกิดพอ ม, มองเห็นนี่อย่างตอนนี้ยเห็นไหมว่าจริงๆพอพูดเรื่องจิตเนี่ยแปลว่าในนั้นมีเยสิกเรียบร้อยไปแล้วยกตัวอย่างเอาหายใจเข้าไหมเอาจิตไปกำหนดดูกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกพูดในฐานะจิตเป็นประธานแต่ในนั้นเนี่ยให้มีสติกำหนดรู้อย่างนั้นสตินี่เป็นจิตหรือเป็นเยสิก แยกสติกันนะโสสโตวะอสสติสโตวะปัสสติเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกว่าไงพอพูดมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตอนนั้นจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าเมื่อจิตอยู่ลมหายใจเข้าตอนนั้นสติอยู่ตรงไหนสติก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีสัญญาได้ไหมในนั้นเน่ยสัญญาก็ทําจําลมหายใจเข้าจําลมหายใจออกมีความสึกสุขทุกข์ได้ไหมในขณะนั้นก็รู้สวยเวทนาหายใจเข้าหายใจออกอยู่ ็น่ไ้ยแล้วมีเจตนาความจงใจตั้งใจในการที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้ใครใครที่มีเจตจำนงด้วยเจตนาเกิดร่วมกันไหมร่วมกันนั่นแหละแต่จะพิกพูดตัวไหนให้เด่นขึ้นมาแล้วมหนองค์ประกอบวิย่างเห็นความสำคัญนี่อย่งเป็นอย่างนี้ น, น, <c oughs> นั้นจึงมีความสาคัญที่เราจะต้องรู้จักเจตนาไง ถ้าไม่รู้จากเจตนาที่เป็นหัวหน้าของสังขารธรรมทั้งหมดนเนี่ยยุงย่งแลยแต่เนี่งานนี้ยุ่งสรุปแล้วคําว่ากรรมเจตนาเป็นกรรมเนี่ยเป็นการเรียกโดยอ้อมเข้าใจแล้วนะนั้นคันว่ากุศลอกุศลจิตวบาทกุศลจิตวบาทสนี่แปลว่าการทํากรรมนั้นสําเร็จลงแล้วตั้งแต่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอ้าวดูหน้าที่ของเจตนาสองส่วนตรงนี้สําคัญที่ไมพูดเมื่อเช้าพูดถึงตรงนี้แหละพูดถึงในเรื่องของสังวิธาธกิจกับพีชนานิทานกิจ สังวิธานากิจแปลว่าอะไรนะก็แปลว่าการจัดแจงปรุงแต่งให้กรรมนั้นสำเร็จลงการจัดแจงปรุงแต่งให้กรรมนั้นสำเร็จลงสาเร็จลงยังไงถ้าเป็นอกักษรกรรมก็ให้อกักษรกรรมนั้นสำเร็จลงถ้าให้เป็นกายกรรมเป็นวิจิกรรมเป็นมโนกรรมก็ให้กรรมนั้นสำเร็จลงได้นี่เป็นสังวิธานากิจ แปลว่าเจตนาต้องมีส่วนสำคัญมากใช่ไหมดังนั้นเจตนาจะต้องไปชักนำกระตุ้นเตือนปรุงแต่งคอยบอกอ่าอย่างกยกตัวอย่างเช่นเป็นหัวหน้างานเราจะทำบ้านหลังนี้ให้เสร็จให้เป็นบ้านได้ที่ให้เรียกว่าเป็นบ้านเนี่ยเป็นศาลาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องไปเกีนลูกน้องให้มาทำ ปูพื้นยังไงตั้งเสายังไงมุงจากยังไงมุงหญ้ายังไงเอาฟ้าขึ้นไปไว้ยังไงเอาไม้ไผ่ไปวางไว้ยังไงเนี่ยการทําจนกิจกรรมนี้สําเร็จลงได้จึงกลายเป็นคําว่าสลาใช่ไหมแม้ฉันใดเวลาทํากรรมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะสําเร็จลงได้ก็เจตนานี่แหละมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ เมื่อสำลิศ่วงได้เขาเรียกว่าเป็นสั่งวิธานกิจก็แปลว่าทํากรรมนั้นให้สํำร็ศผลลงนะให้สาเร็จลงเลยก็คือจัดแจงปรุงแต่งให้กรรมนั้นสําเร็จมองเห็นยังบทบาทก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ในสองอย่างเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือพีชานิธานกิจไอตัวพีชานิธานกิจนี่คือการเก็บการเก็บเชื้อของกรรมไว้รอโอกาสส่งผลด่วนในสาคัญเนาะ ไอตัวทํากรรมให้สำเร็จผลกับตัวเก็บเชื้อของกรรมไวรอโอกาสส่งผลสองตัวเนี้ตัวไหนสำคัญพีชานิธานากิจกับสังวิธานิกิต เ, เก็บเชื้อที่จริงในสองอย่างเนี่ยถ้าประกอบกับอกุศลแลจิตหรือกุโลกยกกุศลจิตมันทํากิจได้สองอย่างสาเร็จพร้อมกันนะคือหนึ่ง สังวิธารกิจและพีชาติธากิจเออถ้าถ้าไปประกอบเนยะอันนี้เจาะเชิงลึกให้ดูนะถ้าเป็นกิริยาจิตหรือเป็นโลกุตระจิตตอนนั้นก็ได้กิจเดียวนะคือสังวิธารกิจอย่างเดียวคือทำกรรมเนี่ยยกตัวอย่างนะเออในขณะที่พระอรหันเนี่ยพระอรหันท่าน พระอาหารหันตท่านมีเจตนาไหมเจตนาในการยืนเดินนั่งนอนในการพูดในการทํากิจกรรมต่างๆของชีวิตพระอาหารหันต์มีเจตนาอยู่หรือเปล่าฉะนั้นเจตนาของท่านเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆมันจะสมฤทธิผลภายในก่อนใช่ไหมมันถึงออกมาภายนอกใช่ไหมไอ้อย่างนั้นเนี่ยของท่านมีแค่สังวิธานกิจคือทํากรรมนั้นให้สมฤทธิผลลงให้สําเร็จลงเท่านั้นแต่ไม่มีพีชาณิธานกิจ เหมือนพระเจ้าพอบรรลุเป็นพระอรหันตแต่สามาสัมพุทธเจ้าปุ๊บตั้งแต่นั้นมาเวลาท่านทํากรรมเนี่ยเขาเรียกกิริยาการทํากายกรรมของท่านกิจกรรมของชีวิตท่านก็ดำเนินไปเวทีกรรมของท่านก็ดําเนินไปมโนกรรมของท่านก็ดําเนินไปตลอดนะแต่เขาเรียกกิริยาเรียกว่าการกระทําอยู่แต่การกระทําของท่านนั้นน่ะสมฤทธิ์เป็นกรรมได้ถ้าพูดไปตามสํานวนของภาษาเนี่ย แต่เป็นแค่สังวิธานากิจจะทาให้กรรมนั้นการกระทานั้นสเร็จลงสำเร็จล ง, เ, จลงเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแต่จกไม่มีผลนะจะไม่มีการเก็บเชื้อของกรรมไว้รอส่งผลให้ท่านได้ดิบได้ดีอะไรหรือว่าตกเสียหายใดๆเพราะอะไรมองเห็นอย่างไรตัวเชื้อคือตัวตันหาอาวิชาตันหาอุปาทานสังขารและกรรมไอตัวเชื้อตรงนี้ของท่านนะ่หมดแล้ว ยางเหนียวไม่มีตัวฉาบทาในการที่จะต้องได้รับผลของการกระทําในอัตภาพถัดไปไม่มีแล้วนั้นท่านจึงไม่มีพีีชาณิทา น, นกิจไม่มีการเก็บเพาะเชื้อของกรรมที่จะรอการส่งผลอีกต่อไปเริ่มเห็นนี่ยังเลยเนี้ละเอียดไหมสําคัญไหมอ่าเริ่มเห็นความสําคัญแล้วเนี่ยค่อยๆตามไปเราจะได้เห็นความลึกซึ้งของสภาวธรรมเนะี่ยโอ้โหละเอียดมาก อา้าวตอนนี้อีกตัวหนึ่งก็คือว่าโลกุตรจิตเคยได้ยินไหมพวกเราเนี่ยที่ไม่บรรลุธรรมเพราะเรายังไม่สามารถทาโลกุตระจิตให้เกิดขึ้นเราได้แค่โลกิยาจิตโลกิยาจิตของพวกเราได้สองส่วนอกุศลจิตก็เป็นโลกิยกุศลจิตก็เป็นโลกิยาและโลกิยาของพวกเราที่ยังไม่ได้ตอนนี้คือพวกกลุ่มฌานแลจิตเรายังไม่ได้ทำฌานให้เกิดขึ้นใช่ไห หลายหลายคนอยากจะไม่ได้ฌานยังไยเนี่ยอยากได้โลกิยาจิตประเภทนั้นเนี่ยเนี่ยสรุปแล้วก็คือโลกิญาจิตเราก็ได้สองส่วนโลภะโทสะโมหะก็ยังเป็นโลกิญาจิตอโลภะอโทสะอโมหะก็ยังเป็นโลกิญาจิตที่เป็นยังเป็นโลกิยะอยู่เนาะจริงไหมเม้งวันวันหนึ่งโลกิญาจิตกุศลเรือ่ อ, อกุศลเกิดมากแกุศลเกิดมากหรือเจ้าอยู่หวไหมเนี่ยออกุศลเกิดมากจริงๆกุศลเรือ่ อ, อกุศลเกิดมากพวกเราเนี่ อลองลองลองช่วยช่วยกันคิดหน่อยที่ว่าระหว่างกุศลกับกุศลเนี่ยอะไรเกิดมากกว่ากันอุ้ขนาดนั้นเลยไม่ใช่กุศลหรือเอาไม่ตอนนี้รู้แล้วอะอะไรเกิดมากกว่ากันโอ้ขนาดนั้นเลย อยวกจะพูดให้ชื่นใจสักหน่อยได้ไหมอยากจะชื่นใจไหมอยากจะชื่นใจไหมว่าจะได้เห็นความต่างระหว่างกุศลกับอกุศลนะอันนี้อันนี้พูดแล้วกลัวพวกเราจะประมาทพูดให้เป็นความรู้เนี่ยให้เป็นความรู้คืออกุศลเนี่ยมันเกิดมากยริงอกุศลเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาทุลพลเขาไม่เขาเขาไม่ค่อยมีกำลังเขาจึงต้องอาศัยการเกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆดต่อ ขนาดเขาเกิดอย่างมากมายเนี่ยเขายังเขายังมีอิทธิพลได้เพียงแค่นี้เองเพอกุศลมาเกิดขั้นสักขั้นหนึ่งแวบหนึ่งเนี่ยเขาลาบคราเป็นนานเลยกุศลจะมีกําลังมากกว่าระดับมหากุศลเนี่ยเขาสามารถเป็นเบื้องต้นแห่งชาติปิญญามากผลได้เลยนะกุศลที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยในขณะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีกําลังมาก แต่เพราะเอราไม่ฉลาดในการทํากุศลให้เกิดอย่างต่อเนื่องเท่า น, นั้นเองถ้า ง, งั้นบรรลุทำไปแล้ว <l ots of people> นี้อกุศลเนี่ยมันมาแท้เกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยๆตามความคุ้นเคยของมันถ้ามันไม่มาแท้เกิดบ่อยๆ อ, อย่างนี้มันหมดแรงไปแล้วแรงมันน้อยอกุศลเนี่ยบาปเดียวแรงมันน้อยเหตุผลที่มันสามารถทําให้คนทําบาปได้ได้วิจิตแสดงว่ามันจะต้องมีเกิดอย่างมากและติดต่ออย่างมากปรุงแต่งอย่างมากอาศัยเครื่องปรุงอย่างมากมายเลย มันจึงสามารถไปทำบาปอกุศลได้อย่างวิจิตพิสดารเข้าใจยังแต่ถ้าหากมีใครอย่างเราฉลาดหน่อยให้กุศลเกิดบ่อยๆแป๊บเดียวแหละบาปที่เคยทำมาทั้งหลายเนี่ยโอ้โหตามไม่ทันเลยน่าเชื่อใจวหมมันดีตรงนี้แหละโอ้ทั้งนั้นตายเลยเนี่ยพวกเราบาปเกิดขนาดเนี้ยไม่เป็นผู้เป็นคนกับเขาแล้วเมพูดให้ประมาทนิดนึง ยิงไหมเพราะมันเกิดมากจริงๆนะมันเกิดอย่างมากเลยนะอกุศลเนี่ยแต่เวลามันเกิดมันทุรพนมากเวลามันจะทําบาปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องอาศัยเกิดการติดต่ออยังมากป๊อบป๊อบปเกิดอย่างมากถึงจะผลักดันไปทําบาปแต่กุศลเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นเน่ยเกิดสักพับนึ่งเนี่ยโหสว่างโลกโอ้โหมันมีพลังมากเช่นศรัทธาเกิดแป๊บเดียวเนี่ยมีพลังมากเอาอีเล่าให้ฟังอต่มี ในมีพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ยที่ว่ามีผ้าผ้าห่มอยู่พื้นเดียวก็มีผ้านุ่งเนีแต่เวลาจะออกจากบ้านก็ใช้ผ้าห่มเพราะระเอกสาศดกพราหมณ์ที่ชื่อเอกสาศเขาก็นัดกันกันกบภรรยาว่าก็ต้องไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องไปฟังตอนกลางวันกับกลางคืนใช่ไหมทีนี้เวลาจะออกจากบ้านก็ออกไปได้ที่ละคนอย่างเงี้ย ว่มีผ้าอยู่พื้นเดียวความจนเนี่ยสามีก็บอกเธอเป็นผู้หญิงเธอไปกลางวันกลางคืนเธอจะอยู่บ้านชั้นการจะไปกลางคืนกลางคืนเนี่ยขมผ้าผ้าผืนเนี่ยไปฟังทำนึนว่ามีเครื่องแต่งตัวแล้วเนี่ยก็จะมีผ้านุ่งแล้วก็จะมีผ้าขุมปิดปิดข้างบนคนอียิปต์เป็ น, นยังไง ไปฟังทำทีนี้พอไปฟังทำเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องการจะแสดงธรรมเพื่อทําลายเนี่ยทําลายตัวมัชริยะไอ้ความตะนหนีของไอ้เจ้าพราหมณ์เนี่ยเจ้าพราหมณ์นี้ก็นั่งฟังตั้งแต่หกโมงฟังฟังฟังไปโอ้โหศรัทธาเกิดเนี่ยศรัทธาเกิดหนึ่งขณะ คำว่าหนึ่งขนาด ก, ก็คือหนึ่งชุดเล็กๆเนี่ยที่มีจิตคิดอยากจะถอดผ้าในผ้าห่มพืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระเจ้าเนี่ยพอคิดปุ๊บอย่างนั้นเนี่ยอกุศลเนี่ยมาเป็นล้านชุดเลยมาเป็นล้านชุดเลยล้อมป๊ปเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกไม่ให้จังหวะกุศลเกิดเลยเนี่ย พอ่วงกุศลเกิดได้หนึ่งได้ขนาดเดียวบาปก็แวดล้อมถ้าเป็นหลายล้านครั้งเห็นมันสู้กันขนาดนั้นนะกุศลหนึ่งครั้งต้องใช้บาปเป็นล้านครั้งถึงจะเอาอยู่กุศลเกิดหนึ่งครั้งบาปก็ล้อเป็นล้านลครั้งกุศลเกิดหนึ่งครั้งบาปก็เกิดล้อเป็นล้าล้ำครั้งเนี่ยเห็นไหมมันทุรพลขนาดเนี้ยเพราเอิญมันชํานานเกิดเท่านั้นเองมันก็เลยเกิดใหญ่เกิดใหญ่กันโหสี่ชั่วโมงสู้ไม่ไหว ทำไมสู้ไม่ไหวก็คือว่ากุศลเกิดเพียงครั้งบาปเกิดมากกว่าก็ล้อมไว้ฉะนั้นถ้าระหว่างตัวต่อตัวเนี่ยบาปไงท้องจะสู้กันเนี่ยไม่ต้องมาวัดเลยฉะนั้นศะรัทธาหนึ่งครั้งกับกับบาปหนึ่งครั้งในสู้ศรัทธาไม่ได้ถ้าศรัทธาเกิดหนึ่งครั้งต้องอาศัยบาปเป็นล้า น, านครั้งมัชชริยะความตันีเหนีนยวแน่นเป็นล้านล้านครั้งจึงจะเอาอยู่ถึงจะจัดการให้ศรัทธาเนี่ยอยู่ได้นี่คิดอีกมุมหนึ่งนะ เราจะได้เห็นวบาโอ้บาปทุรพลจริงๆกำลังน้อยอาศัยพวกมากเหมือนพวกเขาเรียกภาษาโบราณเขาเรียกพวกหมาหมูบาปมันใช่ใช่ใชพวกหมาหมูมันใช่พวกมากที่มันจัดการมนุษย์ได้เนี่ยมันใช้หมาหมูมาเต็มไปหมดเลยลุมลุมลุมลุมลุมุมุ ม, ม, ม, ม, มเราจะได้รู้จักการจัดการกับบาปนั้นบาปจัดการยากไหมเขามีพวกมากเ่น้เอง เพียงแต่เราให้ทั้งให้กุศลเกิดเยอะ ๆ, ๆ, ๆชนะนี่จะพามนี่แพ้สี่ชั่วโมงผลปรากฏว่าแพ้เหตุที่แพ้ก็เพราะว่าบาปบาปมันไปคิดเยอะมากจัด น, นโอ้โหให้พ่าปืนนี้ภรรยาจะอยู่ยังไงชีวิตจะอยู่ยังไงต่อไปเราก็ยากจนออกจากบ้านไม่ได้ลำบากมากเรย่งต่างมันคิดเหตุผลจนไม่ให้ไม่กล้าสลันี่ <laughs> คิดจนไม่กล้าสละ วัดกันแล้วสี่ชั่วโมงแพ้เอา้ามาชิมมายามต่อจากสี่ท่มถึงตีสองพระเจ้าแสดงธรรมไปเรื่อยฟังโอ้โหที เ, เนี้ยกำกึ่งไว้งานเนี่ยคือกุศลไม่ได้เกิดขณะอย่างเดียวกเกิดสองขณะบ้างสามขณะบ้างยิ่เริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีกำลังแล้วใช่ไหมได้อาหารมาจากตอนนั้นแล้วแต่กิเลสมามากกว่านั้นอีกจะเอาไม่อยู่กิเลสต้องไม่ใช่ล้านครั้งแล้วเป็นสองสามล้านครั้งแล้วแวดล้อมงั้นเดี๋ยวเอาไม่อยู่เข้าใจไหม เพราะกิเลสมันก็โห و, งานนั้นก็เหนื่อยขนาดแค่เกิดขณะหนึ่งแค่ศรัทธาเกิดขณะขณะขณะเนี่ยเจติคิดจะให้เป็นขณะนิดๆหน่นอยๆมันจะเหนื่อยกันแทบตายเลยอ่ะบาปเหนื่อยมากงานนั้นเนี่ยพอช่วงมัชชิ ม, มายามเนี่ยโอ้โหแต่เนี่ยบาปต้องระดมพลมาอย่างมากเลยแต่เนี่ยเพราะว่ากุศลมันเริ่มมีกําลังมากขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหแต่เนี่ยคือต้องฉุดเต็มที่อ่ะให้เหตุผลเต็มที่ให้ เหตุปัจจัยในการที่เจตนีจะหวงแหนเต็มที่มัดเล่นกันเนยนะอุตรดเนลนะพ้นปรากฏแพ้อีกแปดชั่วโมงแล้วโอ้แปดชั่วโมงเอาชนะไม่ได้นึกในใจโอ้โหเหลืออีกการสุดท้ายแล้วจากตีสองถึงสว่างอีกสี่อีกชั่วโมงอิธิพรมนี่บอกไม่ได้จะต้องเอาชนะให้ได้เห็นไหมจะต้องเอาชนะให้ได้ โอโหข้างหลังเดีนี้มันได้ได้เหตุปัจจัยจากการฟังธรรมมาสองเอาแล้วเทนี้ยเริ่มเกิดเยอะฟุดขึ้นหลยอ้โหบาบก็บลอ้อมฟืดอีกเกิดมากขึ้นติดต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าขนาดนี้นะชุดเนี่ยเกิดเป็นชุดชุชดยังไงปุ๊บเนี่ยบาบก็แวดล้อมไว้แวดล้อมไว้พอไปได้สักชกั่วโมงกว่าเอาไม่อยู่ไอ้บาบเอาไม่อยู่แล้วพราะกุศลเริ่มมีกําลังขึ้นเกิดมากขึ้นปุ๊บเรียบร้อยพอใกล้จะสว่างเงี้นั้นะตัดขาดปุ๊บ เดินขึ้นไปเลยพับผ้าอย่างดีเดินเดินเดินเดินไปเอาไปถวายพระเจ้าแล้วอุทานมาว่าชีตั้งเมฆ <c oughs> เราชนะแล้วเว้ยเราชนะแล้วเราชนะแล้วอุทานออกมาชนะแล้วชนะแล้วนออชนะแล้วโห้ยชน ะ, ช น, ะโโชนะนี่เห็นไหม <c oughs> ชนะจนพระเจ้าเสด็จที่โกศลตกใจแล้วใครมาบอกชนะชนะตอนหน้าพระเจ้าเว็นดินไงจ้ะวะก็เรียกไปถามยังบอกโอ้โหขนาดนี้เลยเนี่ย เลยพระราชทานผ้าให้พระราชทานผ้าให้แปดคู่เลยก็เลยเอาไปถวายพระเจ้าทั้งหมดพระราชทานให้อีกสิบหกพระราชทานอีกสามสิบสองไ ว, ถว้ถวายถวายถวายจนเหลือชุดเดียวแล้วเนี่ย้ยาพรามคนนี้ยเลยกลายเป็นกุลรวยในวันนั้นเลย กุศลที่ให้กับพระพุทธเจ้าดูที่นี้โอ้โหสู้ฉนันที่ต้องการชี้เห็นว่าบาปเนี่ยเขามีกำลังตา่าที่เขารู้สึกว่าเขายังมีอิทธิพลกับพวกเราอยู่เนี่ยพราะเขาอาศัยการมาเกิดเป็นหมาหมูเกิดมากๆเกิดเยอะๆเขาชวนกันมาเยอะแค่นั้นเองถ้าพวกเรารู้วิธีการหน่อยก็คือ ให้ศรัทธาเกิดให้ความเพียรเกิดให้สติเกิดให้สมาธิให้ปัญญาเกิดเนี่ยนะนะดักบ่อยบ่อยบอยบยเรียบร้อยยังมีความสุขกับการให้บาปเกิดอยู่มหมยังไหมรู้สึกรู้สึกมันยังมีความสุขอยู่เนะียถ้าบาปเกิดถ้ายังมีความสุขกับบาปเกิดอยู่เขาบอกว่ายังมีความสุขกับการที่ใช้ลิ้น ใช้มิ้นใช้ลิ้นนะเลียเพื่อต้องการกินน้ําตาลเลียเลียเลียน้ําพึง่งที่บนคมของมิตรโกนใช้มิตรมิโกนจุ่มไปน้ําพึงนะ่งเนี่ยมันเลี ย, ยมันไม่มเลียด้านข้างเลยนะด้านคมเนะี่ยแลบลิ้นเลียแผลบเลียไปอย่างเงี้ยเลียคือมันยังติดใจรสหวานอยู่แต่ว่าลิ้นมันขาดคือมันยังมีความอร่อยอยู่แต่เพราะ เสร็จแล้วมันติ้นพลาดเลยเนะี่ยติ้นพลาดป๊ป๊บป๊ปมันมันยังมันยังมีรสอร่อยอยู่ <c oughs> เห็นภาพไหม <c oughs> นั่นแหละแล้็ขาดเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยกระลุงกระริ่งหมดแล้ย <c oughs> มันยังมีความ อร่อยกับการไม่เป็นเพราะบาปนี่ยมันมันมันไม่ฉลาดเนี่ยไหมมันจะไปเลียดได้ดื้อไ่เลี้ยมหรือเลี้ยดยดันตั้งคมขึ้นเลี้ยแป๊บขาดเลือดไหลอาบอย่าน้ความหวานก็มีอยู่ระหว่างความหวานกับความเจ็บปวดอะไรมากกว่านั้นเจนั้นเวลาบาปมันให้ผลมันเป็นแบบนี้ เป็นนิจกำลังจะพูดเรื่องสังวิธานกิจคือกรรมมันสําเร็จผลสําเร็จลงงั้นเวลาจะให้สําเร็จเป็นอกุศลกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต้องพุงแต่งมากมายแล้วอกุศลกรรมเนี่ยมันทุรพลมีกำลังน้อยต้องอาศัยการเกิดขึ้นติดต่ออย่างมากเวลากุศลเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันตัดร้อนบาปได้อย่างเยอะเลยไอ้อยังลองเครียดกุ้มมาทั้งวันพรมีศรัทธาในพระเจ้าพบหายเลยนะเนี่ยสังเกตดูไหมว่ากําลังมันเยอะขนาดนั้น เราจะเครียดเพราะบาปเพราะอกุศลมาทั้งทั้งทั้งวันก็แล้วแต่เพอศรัทธาในพระรัตนตรัยเกิดปุ๊บมาแค่นี้โอ้โหสว่างชื่นใจเราจะเห็นชัดเลยทั้งๆ้งที่ศรัทธาเกิดนิดเดียวงั้นอย่าแปลกใจบางทีเวลาเกิดศรัทธาในพระเจ้าในการปังธรรมในการเลื่ถึงกุศลเนี่ยมันทำไมชื่นฉ่ําใจขนาดหนักเลยว่างั้นเถอะเนี่ยขนาดนั้นเลยนะทั้งๆที่วันนั้นจมกับบาปจมกับความเครียดจมกับวิตกกังวลมาตลอดเนี่ยพราะกุศลเกิดเพียงเม็ดน้อยแค่เนี้เพียงชุดน้อยแค่ ถ้ากุศลชุดใหญ่เกิที่จะขนาดไหนนี่ขนาดชุดหากุศลยังขนาดนี้นะถ้าชุดมะชุดมหากขตากุศลหนักกว่านี้อีกโอ้โหชื่นช่ำไปเป็นวันวันเป็นเจ็ดวันแปดวันเงี้ยนะถ้าเป็นชุดของโล ก, กุตระกุศลไม่ต้องพูดถึงเลยแต่เนี้ยชื่นช่ำตลอดการชื่นช่ำตลอดการเลยว่างั้นเด้อนี่ขนาดนี้แหละอิทธิพลเปนเป็นอย่างเงี้ยพูดอย่างเี้เท่าจะได้มีความสึกโอ้โห นี่เป็นอย่างนี้ัน้นบาปบ า, บาปถูกทำลายเกลี้ยงเลยเเนี่ ย, ยอยากมีความสุขชนิดที่บาปไม่เกิดอีกต่อไปใช่ไหมทีนี้เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องกิริยาจิตของพระอรหันต์กิริยาจิตของพระอรหันต์หรือโลกุตรจิตเนี่ยเขาทำกิจได้อย่างเดียวคือสังวิธานากิจไม่มีผีชานิทานากิจเพราะอะไร ย้อนกลับมาถามตอบได้ไห ม, ไมตอบไม่ได้แล้วเห็นไหมไอภาพรพุทธเจ้าหลังจากได้ตัดสิน ป, ปุ๊บแล้วเนี่ย สังวิธานกิจการทํากรรมของพระ อ, องค์การจัดแจงพรุงแต่งให้กรรมสําเร็จลงแต่ละครั้งที่พระ อ, องค์ทําเกิดขึ้นมายังมีอยู่ไหมกายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมยังมีอยู่แต่การกระทําของท่านนั้นจะได้รับผลในการต่อไปไหมเหตุผลที่ไม่ได้รับกรรมในการต่อไปเพราะไม่มีพีชานิธานกิจนั้นไม่มีการเก็บเชื้อของกรรมไว้เพื่อรอการส่งผลในการต่อไปแล้วเพราะอะไร เพราะกิเลสนั้นเนี่ยถูกละได้ด้วยกําลังของอริยมรรคหรือสัมมาสัมพทาญาณที่ท่านได้ที่ท่านเป็นพระอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นท่านจึงได้สําเร็จลงได้แค่สังวิธานกิจเท่านั้นทีนี้เอาต่อไปอีกเจาะลงไปอีกก็คือโลกุตระธรรมโลกุตระจิตในขณะที่โลกุตระจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะท่านจะได้รับผลทันทีเลยในตอนนั้ น, นฉะนั้นก็เป็นได้แค่สังวิธานกิจเหมือนกัน ไม่มีพีชัดนี่ค่นกจิตในการที่จะรับผลในการต่อไปอย่างเหมือนกันงั้นพอเราถ้าทำกรรมประเภทโลกุตระให้เกิดขึ้นบรรลุโลกุตระธรรมเข้าถึงโลกุตระจิตปุ๊บเราก็ตัดพบชาติเลยเห็นไหมแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันจะเกิดไม่เกินเจ็ดชาเห็นไหมแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์หมดแหละ นั้นกลุ่มโลกุตระจะเป็นได้แค่สังวิธานากิจเป็นแบบนี้ทีนี้อาวิบากรรนะวิบากวิบากรจิตเนี่ยกลุ่มไหนคือกลุ่มวิบากรจิตจิตเห็นจิตได้ยินทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นตลอดถึงกลุ่มวิบากกลุ่มปฏิสนธิกลุ่มอะไรทั้งหลายเลยเนี้ยกลุ่มผวังเนี่ ย, ยกลุ่มแตถาลำน้าเนี่ยตัววิบากคือผลผลของกรรม จิตเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลเกิดตลอดมันสลับกันตลอดนะอยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราได้ยินเนตอนนี้เราได้ยินกันทุกคนใช่ไหมไอการได้ยินเนี่ยก็เรียกโสตวิญญาณขึ้นมาได้ยินก่อนไอตัวโสตวิญญาณที่ได้ยินในขณะเนี้ยทําไม ทำไมพวกเราได้ได้ฟังว่าทํากันอยู่เพียงแค่เจ็ดคนเนี่ยและประชากรตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านทำไมไม่ไม่มานั่งยียดหยินกับพวกเราแปลว่าอะไรตอนนี้เรากําลังรับผลของอะไรมีแปลพวกเราสร้างเหตุไว้นันเนี่ยเป็นเหตุอดีตด้วยเหตุปัจจุบันด้วยใช่ไหมเรามีความจงใจตั้งใจที่จะมาศึกษาว่าทํากันยั้ไงเราก็สร้างเหตุ เมื่อเราสร้างเหตุในปัจจุบันนี้ด้วยและเหตุแน่ดีดบวกกันด้วยเนี่ยในส่วนยิงทําให้เรามานั่งสถานที่ตรงนี้พอมานั่งสถานที่ตรงนี้ก็เลยได้มีโอกาสฟังธรรมพระธรรมที่กําลังหมุนเป็นไปอยู่กระแสะของพระธรรมเทศนาที่กําลังเป็นไปอยู่จากท่านผูดด้ใดผู้หนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยที่กําลังพูดกำลังบอกกําลังกล่าวอยู่เนี่ยก็เป็นปัจจัยในการเป็นเป็นเสียงเป็นศรัทธาศรัทธาเหล่านี้เกิดจากจิตเกิดจากกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยการกล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้าออกไปเนี่ย เสียงเหล่านี้ก็ไปกระทบโสตประสาทโสตประสาทก็เป็นปใจใัจัยเกิดโสตวิญญาณคือตัวจิตที่เป็ได้ยินเสียงแต่ละขณะขณะเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองมาจนถึงสามโมงเลยนะบ่ายสามโมงเลยนะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเสียงที่ไปกระทบโสตประสาทเราแล้วก็ทําให้โสตวิญญาณเกิดขึ้นนับไม่ได้เลยหลายล้านล้านหลายล้านล้านโสตวิญญาณมาก โสตวิญญาณที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องเป็นผลของกรรมเป็นผลของกรรมใน่ดิที่ทํามาเนี่ยตอนเนี้เรากําลังรับผลของกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยไอตัววิบากที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยเป็นอะไรเป็นสังวิธานกิตหรือเป็นพีชานิธานกิตเห็นไหมเป็นพีชานิการิกิตตัวเนี้ยมันกําลัง ผลิตเชื้อก็เรียกว่าเก็บเชื้อของกรรมรอการให้ผลเก็บเชื้อของกรรมรอการให้ผลได้อย่างเดียวเนี่ยมันเก็บอยู่ตอนนี้มันรับผลแล้วมันรับอยู่ใช่ไหมใช่รับมันมันทีนี้พอรับอย่างนี้ไปเสรษษ็จปุ๊บผลปรากฏว่า มันรอการให้ผลได้ต่อมันรอการให้ผลต่อมันจะมีอิทธิพลมากนะเป็นปกตตูปนิสยะด้วยเป็นอุปนิสยะปัญญาสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังมันสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลของเราได้ในอนาคตด้วยมันเก็บเชื้อไว้ขนาดนั้นเนะ่มันเป็นกลังมากเลยนะอย่าลืมนะเรานึกว่าไม่มีนะมีมากเลย พอไปอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าแย้มพระโอรสเลยนะในกลุ่มนี้กลุ่มฟังมาดีเนี่ยแล้วพระเจ้าต่อยอดง่ายนิดเดียวเลยกลุ่มนี้โอ้โหนี่กลุ่มมีศรัทธากลุ่มสร้างเหตุปัจจัยไว้เพอพระเจ้าเห็นปั๊บนี่แย้มพระโอรสในการแสดงธรรมและตามอัธยาศัยแสดงกรรมให้พิจิตรพิจดารที่พวกเราฟังเลยว่าไงเถิดดีกว่าผู้พูดที่พูดอีกหลายล้านล้านเท่ามันเป็นอย่างนี้มีพลังมากน่าชื่นใจไหมล่ะ เราไม่เคยรู้หรอกว่าไอ้ที่เราสร้างเหตุเพียงแค่เนี้เหมือนเหมือนจะน้อยนิดเนี่ยแต่มีผลเป็นมหามหาพลาแหละมหาพลามหานิสั่งสามีผลมีอานิสงส์มากเพอเจตจํานงและความจงใจในการที่เรามาทําเนี่ยแม้แต่ผู้กําลังแสดงอยู่หรือผู้ฟังเนี่ยปราดเราตั้งใจว่าขอให้เป็นปัจจัยต่อการเส้นจากกิเลสและกองทุกข์ใช่ไหมล่ะนขนาดนั้นเนะ ท้าส ก, กาเนี่ยท้าส ก, กาเนี่ยตื่นเต้นมากไปขอพอรจากพระเจ้าเลยนะถ้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญถ้ามุมพุทธบริษัทเนี่ยมีการกล่าวธรรมะการสนทนาธรรมะการแสดงธรรมะการมีการฟังธรรมะเมื่อใดขอให้พุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศ ส, ส่วนกุศลในพวกข้าพเจ้าด้วยเพราะอะไร พราะมีเพราะอานิสงส์การฟังธรรมนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดไหน Canton. อ่ะเอาให้ทานนะนิมนต์พระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เหมือนองค์นะนั่งอยู่เป็นประธานและต่อด้วยมีพระประเจรพุทธเจ้าเนี่ยนั่งแถวหนึ่งเต็มห้องจักรวาลนะพระรหันต่อกันเป็นแถวแถวแถวแถวเต็มห้องจักรวาลทั้งหมดเลยนะย่อมีผ้าไตรเนี่ย ถวายถวายพระเจ้าถวายพระเิเศษพระเจ้าทั้งหมดแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหมดเต็มห้องจักรวาลทุกององค์ละไต ล, ละไต ล, ละไตฟุปกุศนที่เกิดขึ้นจากการถวายทานแม้ขนาดนั้นไม่เท่ากับการฟังธรรมสี่บาทคาถา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นนะนี่เราไม่เคยเห็นเลยนะว่าอ น, นิสงส์ขนาดนั้นอย่างมะเนี่ย ถวายพระไตรขนาดนั้นอธิสงการฟังธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพียงสี่บาทคาถาเนี่ยเพราะการฟังธรรมเนี่ยเราฟังเป็นปัจจัยเพื่อการเส้นจากกิเลสละกองทุกโดยตรงเลยเนะการให้ทานเนี่ยก็ได้รับผลของทานกุศลไปอะไรก็ว่าไปยิ่งใหญ่อหรังการเป็นจกัจกรพงจักรพัดกลายเป็นเทวดาไปกลายเป็นเท่าสกะกุศลก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการฟังธรรมหรือปารบธรรมที่เป็นไปตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เท้าเทวดาเท้าสากา่าเป็นตนในจ้องตายแสดงทำเสร็จแล้วจะอุออทิศส่วนกุศลนี่เราก็จะโมทนาสาษาทู่สาทู่กันเป็นแถวขนาดนั้นเลย น, นั่นเองแล้วนึกว่าแต่แต่ธรรมะที่กล่าวทั้งเป็นเป็นธรรมะที่ถูกต้องเลยไม่ใช่มั่วไม่ใช่เป็นพระธรรมที่ไม่ถูกหรือว่าเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งจนการไม่ใช่เป็นคําสอนเห็นไหมว่าพีชั้นิทานกิจเนี่ยตัว ตัวโสตวิญญาณที่รับนี่เป็นผลผลผลผลผลและต่อมาเราก็ทํำคำต่อใหม่พอเรารับฟังปุ๊บแล้วชาวนะเกิดต่อไปท เ, เนี้ชาวนะเกิดก็คือจิตนี่แหละจิตขึ้นมาเสพอารมณ์นั้นครับพอฟังปุ๊บก็คิดตามไหมกระบวนการความคิดคิดตามไอ้ที่คิดตามจิตที่เป็นกุศลตามเยอะมากเลยเนี่ยในทุกชาวนะในทุกกุศ ล, ลจิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นในขณะที่ฟังทำเนี่ยในนั้นเป็นทั้งสังวิธานากิตและเป็นทั้งผีช้นิธานกิต ทำกรรมให้สำลิดลงด้วยนมโมกรรมที่เป็นกุศลกรรมสำริจผลสำริด แ, แต่แต่ละขณะแต่ขณะสําเร็จลงเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นนโน ม, ม, นโนร ม, มนกรรมเป็นนโมกรรมนโมกรรมเป็นกุศลกรรมนะสำเร็จแต่ละขณะขณะขณะเป็นสังวิธานกนิจหมดเลยและในขณะเดียวกันก็นกเก็บเชื้อเป็นพีชานิคาริธานกิจด้วยเก็บเชื้อก็หมายความว่าเก็บเชื้อของกรรมรอการให้ผลต่อไปรอการให้ผลผลจากการฟังธรรมเนี่ย จะเป็นปัจจัยทําให้เรานั้นเกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาในการต่อไปอีกมากมายและจะเป็นปัจจัยแก่การได้มนุษสมบัติสวรรคสมบัตินัปหุ่นพอยได้นะแต่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือจะเป็นปัจจัยแ ก, โก่โลกุตระกุศลโลกุตละมาร์กโลกุตระผลในการต่อไปแน่นอนในการวางธรรมในขนาดนั้นนะ <c oughs> นี่มันเก็บแค่แต่ว่าเราจะเก็บวงแต่งได้ได้ขนาดไหนได้ชื่นใจขนาดไหนฟังได้ติดต่อต่อเนื่องขนาดไหนเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมีผลหมดเป็นทั้งสังวิธานากิจจะและพีชานิทานากิจตลอดคือทั้งทำกรรมทำกุศลกรรมให้สมฤทธผลลงและเก็บเชื้อของกรรมรอโอกาสส่งผลในการต่อไปที่แน่ๆในการที่เราฟังธรรมะในขณะ น, นี้ตอนนี้อาณาวชะอโรคยะใช่สุขวิปา ก, ากาโกสนสัมภูตะเกิดตลอดจิตที่ไม่มีโรคเกิดตลอดใช่จิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เกิดความแกล้งกล้าอาถาร จิตที่เป็นไปกับสมาธิจิตที่มีความอดทนเกิดขึ้นตลอดจิตไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วก็เกิดขึ้นจิตที่เป็นไปกับปราโมทย์ปีติปัสสิทธิสุขเกิดขึ้นจิตที่เป็นไปกับญาณปัญญากเกิดขึ้นแปลว่าในขณะนี้ก็เขาก็ให้ผลในด้านของคุณภาพจิตใจ ที่สภาพจิตที่เป็นไปกับศรัท ธ, ธาเป็นไปกับความเพียรเป็นไปกับสติเป็นไปกับสมาธิเป็นไปนกับปัญญากลุ่มเจตสิกธรษษษรมออกุ่มกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะปรุงแต่งใจให้มีสภาพของกุศลเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องเป็นไหมแต่บางคนอาจจะไม่เกิดนะแต่ถ้าใครช่วยไม่ใช่แค่เสียงธรรมว่ า, าอย่างเดียวแต่เดียปรุงแต่งต่อไปด้วยปรุงแต่งต่อไปด้วยปรุงแต่งต่อไปด้วยไอ้กุศลก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นจิตตชรูปทุกกุศลชนะ ทุกกุศลเกิดขึ้นทุกขนาดจิตเกิดขึ้นก็ทําจิตให้เกิดขึ้นทําจิตตชรูปรูปที่เกิดจากกุศลจิตก็แผ่ไปทั่วร่างกายแผ่ไปทั่วร่างกายทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งหลายหเหล่านี้ก็จะปกคลุมด้วยกุศลจิตแตชรูป รูปเหลนี้ก็จะปกคุมทั่วกรัชกายเลยตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเท้าจนศีรษะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะบุคลิกภาพก็กลายเป็นคนอ่อนโยนนิ่มนวลสายตาผิวหน้าแววตากิริยาท่าทางทั้งหลายเนี่ยถูกปรับพฤติกรรมไปในตัวในขณะที่กุศลเกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องกุศลเกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องเห็นไหมมี2ส่วนใช่ไหมหนึ่สภาพจิตใจ2บุคลิกภาพอันนี้เป็นสาชาตกรรม คำว่าสหาชาติกรรมะ ก, ก็คือตัวกรรมกับตัวสมยุตยธรรมที่เกิดพร้อมกันกับกรรมเนี่ยทั้งเจตนาทั้งกรรมที่เกิดพร้อมกันเนี่ยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่ใครจะสามารถปรุงแต่งไปได้มากอันนี้อยู่แต่และบุคคลไม่เท่ากันนะถ้ามัวส่งใจไปทางอื่นไปคิดเรื่องอื่นอันนั้นก็ไปอีกอย่างนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้แหละคนที่ฟังทําไมในสมัยกลางวัฏจักรเขาฟังตั้งแต่6กโมงเย็นถึงหกโมงเช้า พรอเขาทําการปรุงแต่งกุศลเดียนี้แหละบางทีคิดเองมันไม่ไปไงเขาใจอย่างต้องอาศัยเสียงพระธรรมเทศนาเช่นจะฟังพุทธคุณก็ท่านกับพระราาคุณของพระพุทธเจ้าปะปปะปะป ะ, ปะไปเนี่ยนะในยุคนี้นนหาคนที่ฉลาดขนาดนั้นไม่ได้สิยากเลยอย่างเช่นจะให้กล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้ากล่าวให้ติดต่อไหลลื่นแล้วเราก็คิดตามคิดตามคิดตามคิดตามต้องปรึกอย่างนี้ทุกวันเนี่ยโอ้โหจะขนาดไหนฉันบอกการฟังธรรมตั้งใจฟังแล้วก็ฟังไปตามลําดับ แลาวทำศรัทธาเกิดต่อเนื่องความเพียรเกิดขึ้นต่ อ, นอเนาะเนื่องสติก็เกิดขึ้นติดต่อเนื่องสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งกิจก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญญาพิจัยพิจารณาแยกแยะเป็นไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องเป็นไม่เป็นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บหนึ่งไอ้สังวิทาหนักิจยาก็เกิดผีใช้ทิฏฐานหกิจก็เกิดหนึ่งกรรมสําเร็จสองเก็บเชื้อของ ก, กรรมไว้ให้เก็บเชื้อของกุศลกรรมไว้รอการส่งผลหุ่นเก็บใหญ่เลยเก็บได้เยอะยาง เก็บได้เยอะอยังไม่เก็บเรื่องเราเดี๋ยวฉันเก็บเองฉันเก็บเอาใ น, น, นขณะผู้ฟังผู้แสดงทําเนี่เขาเก็บของเขาไหมเก็บสิพอแสดงทําไปหงุดหงิดไปเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจที่ทาไมไม่เข้าใจอันนี้กุศลเลื่องกุศลดีนนขาดทุนบอกวันที่แสดงทํามเท่าไหร่แสดงทําไปสองชั่วโมงบาปเกิดเป็นแถว ดูหันหน้าไปดูใครคนนั้นก็กอกแกลกเล่นอย่างนู้นคนนี้ก็เล่นอย่างนี้คนได้ไปอย่างนั้นโอ้ไม่ได้สนใจฟังธรรมะเลยกลับมามานั่งเลียแผลแป๊บแปแขาดทุนเข้าใจอย่างตอนนี้ยเนี่ยได้สองส่วนเลยนะของเราเนี่ยได้ทั้งส่วนของสาชาตกรรมะคุณภาพจิตดีขึ้นแล้วก็ประการต่อมาคือ ส่งผลให้กับบุคลิกภาพดีทีนี้ถ้าเป็นนานักณิก ก, กรรมมากก็คือว่าได้ลาบเปนจะตามมานะได้ลาบได้ยศได้ความสุขสารเสริญได้ความสมหวังในการต่อไปอันนั้นต้องดูอีกทีนะไอ้ท่านเป็นนานักณิก ก, กรรมกรรมนี้ให้ผลต่างขนาดอาจจะต่างขนาดไปสี่นาทีห้านาทีวันสองวันสามวันเจ็ดวั น, ว น, วนเดือนปีสองปี ชาติหน้าแล้วมันมีผลตามลาดับหมดเลยอันนั้นให้ผลต่างกันตามที่ทำเดี๋ยวเนี้กุศลที่ทำเดี๋ยวนี้สมฤทธจผลตรงนี้เขาเก็บเชื้อไว้ให้การส่งผลอย่างแน่นอนโอ้โหกำไรมากเลยคุ้มไหมคุ้มคุ้มมาก เรื่องของคุณเนี่ยเขาพยายามเจริญกุศลกันอย่างนียังไ่คิดบาปอยู่ได้นี่ไม่ว่ากันแล้วกันใช่ไมอต่อไปจะพูดเรื่องสังวิธานกิจให้เชิงลึกลงไปอีกไหวไหม